ข้อที่7มีความสุจริตและความกตันยูความสุจริตเป็นเรื่องที่ทรงแสดงให้เห็นไม่ใช่เฉพาะความกตันยูเห็นได้ชัดกับสมเด็จพระสิงนาคารินทราบรมราชนานีได้ทรงแสดงให้เห็นเลยถึงความกตันญูความกตันยูต่อแผ่นดินความกตันยูต่อสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ ถ้าเป็นเรื่องของส่วนรวมนั้นพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงแสดงให้เราดูและทรงเตือนพวกเราด้วยให้ยึดสิ่งนี้ไว้เพราะเป็นเรื่องจำเป็นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นเรื่องที่มีคุณค่าข้อที่แปดพึ่งตนเองส่งเสริมคนดีและคนเก่ง เอาเรื่องที่สองก่อนส่งเสริมคนดีและคนเก่งอย่าไปอิจฉาเพื่อนร่วมงานใครดีใครเก่งเนี่ยสนับสนุนครับมีนายบางคนไปอิจฉาลูกน้องไอ้นี่จะล้ำหน้าแล้วหรืออะไรและเป็นความคิดที่ต่ําช้าที่สุดตรงข้ามถ้าเขาเก่งจริงสนับสนุนเขาเลยนี่คือสิ่งที่ควรทำกันมีอีกคนหนึ่ง ผมเรียกเขามาผมบอกให้เขาเลือกเอาว่าจะให้ผมไล่ออกจากราชการหรือเขาจะลาออกเองเขาถามว่าเขาทำผิดอะไรประพฤติตัวไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นผมจะไล่เขาออกเพราะเขาจะได้ประสบความสําเร็จในชีวิตเขาบอกนายพูดบ้าๆไล่เขาออกเพื่อให้เขาประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะกลางคืนแกเล่นดนตรีกลางวันแกมาหลับ ภาวะผวาหวังอยากเป็นนักดนตรีก็อยากอยากเป็นข้าราชการเติบใหญ่ก็อยากเป็นแต่เสร็จแล้วผมบังคับแกจนได้อีกอาทิตย์หนึ่งถัดมาแกลาออกมายื่นใบลาออกผมบอกเออขอแสดงความยินดีด้วยแล้วลือจะประสบความสำเร็จในชีวิตสมปีถัดมามีรถเบน์เข้ามาในสำนักงานผมมีคนคนหนึ่งเดินลงมาจากรถ มาหาผมในห้องทํางานแล้วซุดตัวลงกับพื้นกราบมาบนตักคือเขาคนนั้นใครรู้ไหมครับทวีพง์มณีนินคนเพชรบุรีนี่แหละพูดแล้วขนลุกหมอจีเนียสทางด้านดนตรีหรืออัจฉริยะด้านดนตรีแต่แตัดข้าราชการไม่ออกอยากมันทั้งคู่จับปลาสองมือผมนั่งดูไอ้หมอเนี่ยดนตรีดีกว่าราชการ รับราชการมันไม่มีทางแทนผมไปได้แต่ดนตรีผมสู้มันไม่ได้เออออกไปดีกว่าสามปีเป็นเศรษฐีเลยแต่สุดท้ายไปโดนยิงตายอันนี้ก็ช่วยไม่ได้เห็นไหมครับเงินนะครับเงินทำให้เกิดความสุขเงินมันก่อให้เกิดความทุกข์ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเรื่องความกระตันยูเรื่องการพึ่งตนเองส่งเสริมคนดีคนเก่ง ต้องทำให้ได้พึ่งตนเองก็คือเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าคําที่สำคัญที่สุดในเรื่องราวที่อธิบายมานี้คือคำว่าพอทุกคนต้องกำหนดเส้นความพอให้กับตนเองให้ได้และยึดเส้นนั้นไว้เป็นมาตรฐานของตนเอง คำว่าพอนั้นก็ต้องดูตัวเองดูรายได้ของตัวเองดูขีดความสามารถของตัวเองและขีดเส้นนั้นให้เหมาะสมไม่ใช่เห็นเพื่อนเขามีอย่างนี้ฉันอยากมีบ้างเห็นเขาขี่รถเราอยากมีบ้างไม่มีเงินก็ไปกู้หนี้ยืมสินไปกู้สหกรณ์อะไรต่ออะไรสองรอบสามรอบขึ้นมาและผลสุดท้ายยังไงทุกทุกทุกเพราะฉะนั้นอย่าเอา ให้กลับอยู่ที่ความพอดีเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่กลับไปปลูกถั่วปลูกงาทำเกษตรไม่ใช่แต่ถ้ามีที่ก็เชิญเถิดแต่เศรษฐกิจพอเพียงคือการวางเส้นทางชีวิตของตัวเองตั้งวิถีชีวิตให้เป็นวิถีชีวิตแบบไทยๆซะวิถีชีวิตที่เรียบง่ายธรรมดาเดินเส้นทางสายกลางท่านสอนมาตลอด เพียงแต่ว่าเราลืมไปเราละไปอยู่เรื่อยๆธรรมดาไม่เห็นว่ามีป้มด้อยอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการพึ่งตนเองนั้นเป็นสิ่งสําคัญยังต้องคิดต้องทำดีต้องมานะ้าภาพเพียงเข้าไปแต่ดูยาวไม่ใช่คําตอบที่ต้อง เพียงใกล้ตัวความสุขยังมี